อานนการที่พิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีแพทย์ซะเลยนั้นเป็นการดีถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าข้าพระอาณนทูลซักถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นเป็นการดีพระศาสดาตรัสตอบถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าข้าจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดี สำรวมอินทรีย์และกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำนัดกินดีหรือความลหลงไหลครอบงามจิตใจได้อานนท์เรากล่าวว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นเป็นมนทินของพรหมจันทร์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจเข้าไปเกี่ยวเกาะเล่าพระเจ้าข่าจะเป็นมนทินของพรหมจันทร์หรือไม่ไม่เป็นสิอานนท์เธอระลึกได้อยู่หรือเราเคยพูดไว้ว่า อารมณ์อันวิจิตสิ่งสวยงามในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะความดำริตังหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อกระชากความพอใจออกเสียได้แล้วสิ่งวิจิตและรูปที่สวยงามก็คงอยู่อย่างนั้นเองทำพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่งพระอานนก็พลอยนิ่งตามไปด้วย ดูเหมือนท่านจะตรึกตรองทบทวนพระพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสักครู่นี้จริงทีเดียวการไม่ยอมดูไม่ยอมแลสตรีซะเลยนั้นเป็นการดีมากแต่ใครเล่าจะทำได้อย่างนั้นผู้ใดมีใจไม่หวั่นไหวด้วยความเบ่งบานของดอกไม้งามดนตรีและาการเยื้องกลายแห่งสตรีสาวผู้นั้นถ้าไม่ใช่นักพรตก็เป็นสัตว์ดีรชาน แต่ดูเหมือนผู้เป็นนักทรสทั้งกายและใจนั้นมีน้อยเหลือเกินเมื่อมีเรื่องที่จำเป็นต้องดูแลเรื่องติดต่อเกี่ยวข้องก็เกิดขึ้นการติดต่อเกี่ยวข้องและคลุกคลี ด, ด้วยสตรีเพศนั้นใครเล่าจะหักห้ามใจมิให้วานไหวไปตามความอ่อนช i อยนิ่มนวลและอ่อนหวานของเธอมีคำกล่าวว่ามิเช่หรือว่าความงามนั้น เป็นอำนาจที่คุกคามจิตใจของปู้ตุชนให้แพ้ราบและการยิ้มนั้นคือคมดาบของเธอเมื่อใดพบความงามถ้าความงามนั้นยังไม่ยิ้มก็ยังมีทางจะรอดพ้นไปได้แต่เมื่อความงามนั้นยิ้มออกมาย่อมหมายถึงเธอส่งคมดาบออกมาแล้วและยังมีคำกล่าวอีกว่าเมื่อสตรี ง, งามยิ้มย่องหมายถึงทุงเงินของผู้ชายร้องไห้ทาไมนะ สัตว์โลกจึงหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเสียจริงๆสตรีที่พราวสเสน่ห์แต่ไร้มนโนธรรมจิตใจสกปรกจึงเป็นพระชาตมือนุ่มซึ่งมียิ้มและกิริยาที่ยียวนเป็นคมดาบมีน้ำตาเป็นหลุมพลางสำหรับให้ชายตกลงไปในหลุมน้ำตานั้นบางทีเธอจะมีความสุขร่าเริงเหมือนนกน้อยในขณะที่หัวใจของชายที่เธอเคยปอง เราสลายลงด้วยความผิดหวังบางทีเธอจะทําเป็นโกรธชายที่เธอแสนจะหลงรักเพียงเพื่อพลางสายตาของคนอื่นบางทีเธอจะยิ้มอย่างอ่อนหวานในขณะที่ในความรู้สึกของเธอแสนจะเครียดแค้นและจริงชังเขาและบางทีเธอจะร้องไห้น้ําตาอาบแก้มในขณะที่ใจของเธออิ่มเอิบไปด้วยปีติปลาโมดอ่า จะเอาไรเล่ามาวัดความลึกแห่งหัวใจของสตรีพระศาสดาตรัสไว้ไม่เช่หรืออาการของสตรีนั้นรู้ยากเข้าใจยากเหมือนการไปของปลาในน้ำปลาดผู้ทรงวิทยาคุณกว้างขวางลึกซึ้งสามารถอย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเหมือนมองเสกระดาษบนฝ่ามือแต่ปลาดเช่นนั้นจะกล้ากวดอ้างได้หรือว่าตนสามารถอย่างรู้ความลึกล้าในหัวใจของสตรี อย่ามัวกล่าวอะไรให้มากเลยธรรมชาติของเธอเป็นอย่างนั้นเองมหาสมุทรเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่มหาสมุทรก็มีคุณแก่โลกอยู่มิใช่น้อยการค้นหาความจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นนั้นและปฏิบัติให้ถูกต้องต่างหากเล่าเป็นทางดำเนินของผู้มีปัญญาความเงียบส ง, งัดปกคลุมอยู่ครั่วหนึ่งแล้วพระนนท์ก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธสรีระอย่างไรอย่าเลยอานนท์พระาศาสดาทรงห้ามเธออย่า ก, กังวลกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของพวกเธอคือคุ้มครองตนด้วยดีจงพยายามทําความเพียรเผาบาปให้เร่าร้อนอยู่ทุกยุรยาบดเถิดสําหรับเรื่องสรีระของเราเป็นหน้าที่ของเครือข่ายที่จะพึงทํากันกษัตริย์พราหมณ์และข้าบดีเป็นจํานวนมาก ที่เลื่อมสายตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาคงทํากันเองเรียบร้อยพระเจ้าข่าพระนอนุทูลเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเครื่องหัดก็จริงอยู่แต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกอย่างไรอานอนทชนทั้งหลายเมื่อจะปฏิบัติต่ตอพระสรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างไรก็พึงปฏิบัติต่ตอสรีระแห่งตถาคตอย่างนั้นเถิดทําอย่างไรเล่าพระเจ้าข่า อานน์คืออย่างนี้เขาจะพันสรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วพันด้วยผ้าใหม่อีกทำอย่างนี้ถึงห้าร้อยคู่หรือห้าร้อยชั้นแล้วนำวางในรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยรางเหล็กเป็นฝาแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมนาน า, นานชนิดแล้วถวายพระเปลืองเสร็จแล้วเชิญพระอาทิตย์ธาตุแห่งพระเจ้าจากักรพรรดนั้น ไปบรรจุสถูปซึ่งสร้างไว้ณาทางสี่แพร่งในสรีระแห่งตถาคตก็พึงทำเช่นเดียวกันทางนี้เพื่อผู้เลื่อมใสจักได้บูชาและเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนานและแล้วพระพุทธองค์ทรงสแสดงถูปาระหาบุคคลคือบุคคลผู้ควรบรรจุอธิธาตไว้ในพระสถูปเพื่อเป็นที่สการาบูชาของมหาชนไว้สี่จำพวก คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจากักรพรรดิตรัสแล้วบรรทมนิ่งอยู่พระอานนนถอยออกจากที่เฝ้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารมือจับริมสลักนิ่งอยู่น้าตาไหลพลากจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมา บัดนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชรานับได้แปดสิบแล้วเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทมานานถึง 44, ส4ี่พรรษาได้ยินได้ฟังพระธรรมและอบรมจิตใจอยู่เสมอได้บรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นโสดาบันบุคคลผู้มีองค์ประกอบดังกล่าวนี้ถ้าไม่มีเรื่องกระเทือนใจอย่างแรงคงจะไม่เศร้าโศกปริเทวานาการถึงขนาดนี้ ท่านสะอึกสะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งองค์บางคราวจงมองเห็นผ้าสีเหลืองมนที่คลุมกายสั่นน้อยๆตามแรงสั่นแห่งรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกสะเทือนใจและว้าเวอย่างยิ่งเป็นเวลานานเหลือเกินที่ท่านและพระศาสดาได้ทำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกันการจากไปของพระผู้มีพระภาคจึงเป็นเสมือนกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอยโอ พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงครวญคร่าออกมากับเสียงเสอื้อื่นตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจากไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาหลุดห่วงมหานบมาด่วนจากข้าพระองค์ทั้งทั้งที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้นพี่เลี้ยงก็มีอันพราพลากจากไป ข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระอานน์คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเมื่อพระอานน์หายไปนานผิดปกติพระศ า, าสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอานน์หายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูพระวิหารพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอานน์มาที่เถิดพระศ า, าสดาตรัสพระอานน์เข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน้ําตา พระศาสดาตรัสปลอบใจว่าอานอนท์อยา่าคล่งครวญนักเลยเราเคยบอกไว้แล้วมิเชื่อหรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาในโลกนี้และในโลกไหนไหนก็ตามไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเลยสิ่งที่มีการเกิดย่อมมีการดับในที่สุดไม่มีอะไรยับยั้งต้านทานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นประดุจ ด, ดวงตะวันพระอานอนท์ทูลด้วยเสียงสะอื้น น, น้อย ข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุดฉายาต่อไปนี้ข้าพระองค์จะพึงติดตามผู้ใดเล่าจะพึงตั้งน้ำชายน้ำสวยเพื่อผู้ใดจะพึงปัดกวาดเสนาสนะที่หลับที่นอนเพื่อผู้ใดอันหนึ่งเวลานี้ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่พระองค์มาด่วนปรินิพาน ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์กำจัดกิเลสให้หมดสิน้นข้าพระองค์คงอยู่อย่างว้าเวและเดียวดายเมื่อคำนึงอย่างนี้แล้วก็สุดจะหักห้ามความโศกกําสดได้อานน์เธอเป็นผู้มีบรารมีธรรมที่ได้สั่งสมมาแล้วมากเธอเป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยกินอันใดที่ควรทาแก่ตถาคต เธอได้ทํากิจนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยมจงประกอบความเพียรเถิดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอจะต้องสําเร็จอรหั ต, ตผลเป็นพระรหันในไม่ช้าตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ใกล้แล้วทรงสรรเสริญพระอา น, นุ์โดยอเนกกบปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอา น, นุ์เป็นบัณฑิต เป็นผู้รอบรู้และอุปถากเราอย่างยอดเยี่ยมพระรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตซึ่งมีพิกษุผู้อุปถากผู้อุปถากนั้นก็ไม่ดีเกินไปกว่าอานุน์อาน์เป็นผู้ดําเนินกิจด้วยปัญญารู้การที่ควรไม่ควรรู้การที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่มาเฝ้าเราว่าการนี้สําหรับกษัตริย์การนี้สําหรับราชามหาอามาตย์การนี้สําหรับคนทั่วไป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 กราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นประดุษพระเจ้าจั ก, กรพรรดิในทางธรรมทรงสถาปนาอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นทรงเป็นธรรมราชาสูงยิ่งกว่าราชาใดๆในพื้นพิภพนี้ข้าพระองค์เห็นว่าไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพานในเมืองกุศินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระองค์ไปปรินิพานในเมืองใหญ่ เช่นราจครือสาวัถีจำปาสาเกตโกสัมพีพรรณสีเป็นต้นเถิดพระเจ้าข้าในมหานครเหล่านั้นกระสัพราหม์เศรษฐีขหาหบดีและทวยนาครทุกชัน้นที่เลื่อมใสพระองค์ก็มีอยู่มากจากได้ทำมหาสการะแดสรีระแห่งพระองค์เป็นมโหฬารควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมบุรุษรัฐในโลกอานนท์ เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนี้ผ่านไปแต่เพียงรูปเท่านั้นแต่เกียรติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอนน์เอยสถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินี เมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชคลื่มหานครเมื่อตั้งอาาจากรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวเกเพียงห้าคนเราก็ตั้งลงแล้วหน้าป่าอิสิ ป, ปตนมิขทายเขตเมืองพารณาณสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเราก็ควรนิพพานในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่ง กุศินารานี้แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ในโบราณกาลกุศินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจากักรพรรดินามว่ามหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่อกุสาวดีเป็นราชธา น, นีที่สมบูรณ์มั่งคัง่งมีคนมากมีมนุษยนิยมกรเกลื่อนกลนคลั่งพร้อมดิธัญญาอาหารมีรรมณียสถานที่บัเทิงจิต ประดุจดังราชธานีแห่งทิพยานครกุสาวดีราชธานีนั้นตึกก้องนฤนาททั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงโคจรสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกการบริโภคอาหารด้วยความสำราญเบิกบานจิต พระเจ้ามหาสุทธาสนะองค์พระจักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราทิเบดีในปาฐพีมณฑลทรงชำนาบปัาจจมิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทันและสัตราชนนบทสงบราบคาบปราศจากโจรผู้ร้ายมารดาอย่างบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากริมสลักเป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชอย่างแท้จริง